5. สหเสยศิขาบท 58. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกินสองถึงคืนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ